39. กรรมในโล ก, กุตระเท่านั้นที่จะเป็นตัวแปรสำคัญศึกษาพุทธธรรมให้ท่องแท้เถิดกรรมเป็นของจริงนะใครที่ทำอะไรลงไปทุกอาการแห่งกรรมนั้นทั้งภายนอกภายในล้วนเป็นอัน ร, รมและเป็นของตนทั้งสิ้น ไม่มีใครบีดเบี้ยวสัตว์จะได้คุณทำอะไรทุกกรรมล้วนเป็นอันธรรมจริงๆนะและล้วนเป็นของคุณแบ่งใครไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ได้ไม่มีขาดหกตกหลน่นและไม่มีใครแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้น และแม้แต่โลกียธรรมก็ยังไม่สามารถหนีหรือหลุดพ้นอำนาจวิบา ก, กรรมหรือกรรมอดีตได้อย่างยั่งยืนอย่างนิรันดรนมีแต่โลกุต ร, ร, ร, ระธรรมปรมตถธรรมที่ผู้บ ร, รรลุโลกุตระสัจจะเท่านั้นจึงจะหนีหรือหลุดพ้นอำนาจ กรรมอดีตต่างๆของตนที่เป็นอดีตกรรมชั่วตามทันแล้วเข้าไปเล่นงานเพราะจะมีความหลุดพ้นวิมุตและมีกรรมปัจจุบันที่ทำแต่กุศลกรรมสั่งสมลงไปในอรหัตตาตัวตนที่ไม่หรือกลบแล้วอาศัยทำกุศลกรรมดำเนินชีวิตไป หยุดกุศลใหม่เด็ดขาดแล้วจึงมีแต่กุศลใหม่สั่งสมลงไปรวมลงในวิบากอดีตเป็นกําแพงกั้นความบูดโพนนั้นให้หนาให้ห่างออกไปห่างออกไปอย่างไม่มีหยุดกรรมอดีตจึงตามไม่ทัน กรรมปัจจุบันจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดที่ช่วยทั้งกรรมจัดกิเลสหรือกรรจัดอัตตาปัจจุบันอย่างมีความจริงเป็นและทำได้เด็ดขาดสมุดเฉ ท, ทประหารจริงแท้ด้วยอัตตาที่จะเกิดในทุกปัจจุบันจึงเกิดไม่ได้อีกเลย เมื่อผู้นั้นหมดตัวตนอัตตาแล้วก็ไม่มีตัวตนในที่ไหนตัวตนอัตตาของเจ้าตัวที่จะเกิดกับชีวิตของผู้บรรลุอรหัตตาแล้วจึงไม่สามารถเกิดอีกเลยในชีวิตของผู้นี้ต่อไปซึ่งล้วนสำเร็จด้วยกรรมปัจจุบันที่เป็นโรคกุตระทั้งนั้น ที่เป็นตัวแปรที่ยิ่งใหญ่ช่วยคนผู้ปฏิบัติธรรมสัมมาทิฏฐิกันจริงๆดังนั้นเมื่อสามารถสร้างกรรมโรกุตระเป็นวิบากรรมสั่งสมลงไปในจิตได้มากจนถึงขั้นพ้นแล้ววิมุตได้กรรมอดีตก็ตามแม้แต่กรรมปัจจุบันก็ตาม จะวิ่งตามเล่นงานเราได้ยากขึ้นยากขึ้นจนกระทั่งไม่สามารถตามเล่นงานเราได้อีกเลยดังนั้นผู้นี้ตายลงทางกายแตกตายกายัศสะเพทาแล้วไม่ตั้งจิตต่อใดๆอัปะนิหิตะตังกิตตังตัดสัน ต, ติตัวสืบต่อ ผู้นี้ก็เป็นอันสิ้นตัวตนสนิทไม่มีตัวตนใดเกิดขึ้นมาในเอกภพนี้อีกกรรมอดีตทั้งหมดก็ต้องยกเลิกไปเพราะไม่มีอัตตาปัจจุบันใดเกิดอีกแล้วนี่คือปรินิพานเป็นปริโยสารอันเป็นศูนย์สุดท้ายของกรรมกับการ แอนทาร์มแม้แต่ความเป็นปัจจุบันหมดสิ้นสนิทของกรรมกับการทางโลกแห่งฟิสิกส์อารเบิร์ตไอน์สไตน์มีความรู้ตามทฤษฎีปฏิสัมพัทธ์ของ Space and time of Continuum ส่วนของพุทธของพระพุทธเจ้าก็แอนทาร์ออฟคอนติเนียม and time ในยะเยี่ยงเดียวกันทว่ามันมีความลึกละเอียดยิ่งกว่าเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นโลกิยสัจจะสมมติสัจจะเรียกว่าเกิดศูนย์สมบูรณ์แท้ขึ้นในคนที่ทำได้เป็นสุญญตาในภาวะความเป็นปรินิพานเป็นปริโยสารของผู้ใดผู้นั้น สำ์ที่สุดในเรื่องของกายข้อศของกรรมกับการ0ของรูปกับนามหรือสสารกับพลังงานของคนผู้นี้0ธรรมะสองของคนผู้นี้0โดยเฉพาะความเป็นอัตตาหรืออาตมาศูนย์สิ้นหายไปสนิท